บางทีก็กใจเนป่วยเกินกว่าสภาพที่เป็นจริงของร่างกายเพราะไปให้ค่ามันเกินไปถูกเวทนาทางร่างกายเลยครอบงําอย่างบางคนเจอความสุขนิดหน่อยเจอความสุขทางร่างกายครอบงําจิตใจก็ท่วมท้นล้นไปด้วยตัณหาพอเจอความทุกข์ทางกายเข้าไปอีกนิดหน่อยท่วมทนไปด้วยโทมานัตท่วมท้นไปด้วยโทสะ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 กลัวถูกข่ากลัวไม่มีที่อยู่กลัวไม่มีอาหารกลัวสารพัดกลัวกลัวกลัวกลัวก็เพราะห่วงกายเพราะรักกายนี่แหละกลัวเหลือเกินหวันกลัวกลัวสารพัดที่จะกลัวจนได้เนี่ยนะเก็บเรื่องไม่ควรกลัวมามากลัวก็เพราะห่วงแหนทนุถนอมรักเอนดูอะไรอววรในร่างกายเหล่านี้นี่แหละถึงจะดูแลดีขนาดไหนนะก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ขึ้นใช่ไหมดูแลบำรุงมากขึ้น อย่างของเข้าของทั่วๆไปนี่ยิ่งบำรุงก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมแต่นี่ยิ่งบำรุงยิ่งดูแลมากก็ไม่ได้แปลว่าจะดีขึ้นอะไรยิ่งดูแลผมก็ขาวหมดเลยเห็นไหมดูจนขาวอย่างงี้ยห่าฟันนี่ก็ดูจนร่วงหมดเลยอย่างเงี้ยผิวก็ดูยิ่งดูยิ่งย่นอย่างเงี้ยมันก็เลยลําบากมากๆมันมันไม่ได้มีคุณเลยนะเป็นสิ่งที่เ้าบอกว่าอาสารรพิษเป็นสิ่งที่ไม่รู้คุณเขาบอกว่างูเห่าเนี่นะ อย่าไปคิดว่าเลี้ยงแล้วมันจะเชื่องนะมันหิวมันกัดตายนะฉันใดก็ดีกายนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่เนรคุณเหมือนกันเนรคุณเจ้าของเนี่ยอย่างคอเอ้ามานะให้ยาให้แล้วให้อีกให้อาหารให้สารพัดนะมันก็ยังกัดอยู่นั่นแหละมันพูดไปถ่มน้ำลายไปเนี่ยนะเพราะมันมันมันไม่ยอมมาอโปธาตุกำเริบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคิดอะไรมาเดี๋ยวก็ตายแล้วโยม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 ทุกทางร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนโดยมากก็ไหลมาซึ่งบาปและอกุศลบางคนถ้าแผลเหล่านี้ถ้าถ้าไปโทษว่าผู้อื่นทําให้เข้าหนักกว่านี้อีกใช่ไหมแต่ว่าแผลนี้ น, นี่หน่อยเจ็บนี้ น, น, นี่หน่อยถ้าไปโยนว่าเพราะคนนั้นแท้ๆเพราะผู้นั้นแท้ๆก็เลยผูกเวรผูกพยาบาทถูกอาฆาตเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลอีกเยอะแยะไปหมดเลยส่วนตัวที่ร้อนอย่างแท้จริงก็คือตัว ใจนี่แหละตัวใจนี่แหละเป็นของร้อนทั้นใจนี่ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาธรรมอารมณ์คือเจตสิกที่เกิดร่วมกับใจหรืออารมณ์ทั่วๆไป ท, ที่เหลือจากที่กล่าวมาแล้วก็ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญามโนวิญญาณตัวความคิดนี่แหละตัวความตรึกยิ่งคิดอะไรก็ตามเถอะตัวความคิดกี่ความคิดก็ตามเถอะความคิดเหล่านี้ควรทําตีรณะปริญญา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 ำํนดควรพิจารณาควรเข้าไปรอบรู้จริงๆริงมโนธรรมอารมณ์เรื่องราวที่เราคิดถึงหรือเจตสิก ท, ที่เกิดร่วมกับความคิดมโนวิญญาณคือตัวความคิดหรือมโนสัมผัสความคิดแต่ละเรื่องแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยทุกๆความคิดควรเอามามาพิจารณาควรเอามาทําปริญญาเนี่ยนะคือคือมากําหนดมาวิเคราะห์จับแยกนะมาแยกแยะนะว่ามันคืออะไร ทำไมมันมาจากไหนอะไรทั้งหลายแหลเป็นต้นแต่ว่าตัวตัวที่ร้อนมากๆก็คือตัวความคิดเนี่ยนะความคิดนี่เป็นของร้อนจริงๆบางเรื่องนะถ้าเราไม่คิดไม่ร้อนหรอกนะหลายๆเรื่องถ้าไม่คิดถึงนะเราจะเจ็บปวดไหมจะลำบากใจไหมจะเดือดร้อนไหมบางอย่างนี่มันเกิดจากความคิดนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีโอยมาเพราะอานาจของตัวจิตแท้ๆเนี่ยนะ เนี่ยพ่อเราเชื่อจิตนะจึงมาเกิดในภพนี้กันถ้าเรายังเชื่อจิตต่อไปนะจิตจะพาไปตกนรกก็มีจิตบางดวงนี่พาไปเกิดในเปรตก็มีจิตบางอย่างก็พาไปเกิดในเดรัจฉานก็มีพะะนันอย่าไปเชื่อความคิดให้มากนะไม่เชื่อได้ยิ่งดีถ้าจะเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าพ่อพระองค์บอกตามความเป็นจริงบอกเราทั้งหลายถูกจิตนี่ลวงมานานแล้วลวงให้ชอบบ้างลวงให้ชังบัง้งให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความ ลุ่มหลงบ้างเราเนี่ยเชื่อตัวความคิดเพราะั้นความคิดพระองค์ตรัสว่าเหมือนอะไรความคิดนะมโนวิญญาณเหมือนมายากลเหมือนคนเล่นกนแสดงให้เห็นเป็นเป็นอย่างนั้นแสดงให้เห็นเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราดูหนังอ่ะนะมายากลก็คือจอเงินจอทองจอแก้วจออะไรทั้งหลายแหละมันก็คือจอ่อมันไม่มีอะไรในนั้นจริงๆแล้วค้นหาไปขูดหาซิมันได้อะไรไหม ถ้าดูหนังเนี่ยขูดหาอะไรจากจอหนังนะโอ้ยฉายเป็นทองทั้งเต็มจอไปหมดเลยนะไปขูดหาทองจะได้ทองมาไหมไม่ได้เ่ยนะถ้าจอแก้วเนี่ยนะในทีวีเนี่ยเห็นอุ๊ยเขาถ่ายเงินออกมาทั้งนั้นเราไปขุดเอามาจะได้เงินบ้างไหมไม่ได้ฉันใดสิ่งเหล่านี้วิญญาณทั้งหลายก็เป็นของหลอกลวงเลยนะเขาจึงเรียกว่าผีหลอกวิญญาณหลอกเนี่ยเขางมาว่าพูดถูกแล้วนะ กลาวโดยปร r a m a t อว่าโอ้ยถูกวิญญาณหลอกมาเนี่ยนะเขามาเชื่อและใช่ใช่ถูกแล้วทล้วเมื่อก่อนปฏิเสธวิญญาณที่ไหนจะมาหลอกมาหลอนตอนนี้เชื่อแล้วเออใช่วิญญาณหลอกหลอนจริงจริงนั้นใครไปได้ยินอะไรใครนั้นนึกในใจว่าผีเอออย่าได้หลอกได้หลอนกันเลยถูกวิญญาณหลอกอีกแล้วคําพูดที่พูดออกมานี่มีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมมันหลอกให้เราเชื่อก็มีหลอกให้เราชังก็มีสียงที่พูดพูดเนี่ยหลอกให้ชอบหลอกให้ชังหลอกให้หวังเป็นต้นเนี่ย ก็ถูกวิญญาณหลอกก็ถูกถูกวิญญาณหลอกถูกผีหลอกเด้ยนะคำพูดนี้จริงๆถ้าพูดแบบปรมาจารก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าวิเคราะห์ให้ดีๆนี่ก็เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆหลอกให้หวังอยู่นั่นแหละแล้วก็หลอกให้โกรธอยู่นั่นแหละแต่ที่แน่ๆก็คือหลอกให้งงเนี่ยทีหลอกได้หลอกดีหลอกทนจริงๆเลยนะหลอกให้โลภในยังพอรู้วันหลังโอ้พระเราชอบแท้ๆ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 ท่า น, นทำที่ควรทําปริญญาควรเข้าไปกําหนดรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นกระทั่งขันห้าก็าเหมือนกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ควรกําหนดรู้แบบที่เราสดาาวดธรรมะเช้าอยู่แล้วทีนี้ก็กล่าวปีรูปสาตรูปตามอริยสัจเนี่ยนะตามอริยสัจเลยนะปยรูปสาตรูปคืออะไรอะไรบ้างที่ควรกําหนดรู้ล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ควรกําหนดรู้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 รักษาใจใช่ไหมสำเร็จไหมไม่สำเร็จในที่สุดก็นั่นแหละภาพเพลิงช่วยสำเร็จเผาอย่างเดียวนะภาพเพลิงทำสำเร็จหมดทั้นตาหูจมูกเลนกายใจนั้นไม่มีใครรักษาแล้วประสบความสำเร็จถึงขนาดนั้นก็ยั ง, ยงแอบหวังนะแอบหวังว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะดีน่าจะมั่นคง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 อุยของเราอะไรมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ขนาดนี้เนี่ยนะท่านพระ อ, องค์จึงบอกตรงๆอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราอ้าวแล้วมันของใครอ่ะมันของไม่เที่ยงมันของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาหรือไม่ใช่อัตตาซึ่งไม่มีผู้ใดไปมีอํานาจในตาหูจมูกเลนกายใจอะไร <c oughs> ยิ่งใครปราถนาขอมีอํานาจในสีนี้เป็นไปได้ไหมสีมันมีสีสมุธฐานอย่างเช่นสีหน้ามีสีสมุธฐาน มันก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่จิตแล้วแต่อุตุแล้วแต่อาหารขอให้สีหน้าแววตาเหมือนเดิมตลอดไปทาได้ไหยไม่ได้เพราะอะไรถ้าถ้าสีนะถ้าตอนที่มีโลภะจิตเป็นสมุทฐานก็อีกอย่างหนึ่งสีหน้าตอนที่มีโทสะเป็นสมุทฐานก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่มีถีหน้าเป็นสมุทฐานก็อีกอย่างหนึ่งสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะสีหน้าตอนถีหน้ามันครอบงําเป็นไงตามันหนักขึ้นหนักขึ้น สีที่มีอาหารเป็นสมุทฐานาน่ะเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเป็นต้นใช่ไหมสีที่มีกรรมเป็นสมุทฐานน่ะก็สุดแท้แต่กรรมเก่าจะจะเป็นตัดใ จ, จมาอย่างไรใช่ไหมเพราะกรรมบางอย่างก็นําเกิดแล้วแต่กรรมมาเบียดเบียนหรือกรรมมาอุปธรรมทีนี้สีที่มีอุตตุเป็นอาหารเป็นสมุทฐานเนี่ยนะทีนี้สีมีต้องเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตตุและอาหารเหตุใกล้ของสีคือมหาพูด แล้วเราปรารถนาให้สีเป็นอย่างที่เราต้องการมันทําได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสีที่ทเปลี่ยนไปแต่ก็บอกว่าคำว่ารูปเนี่ยรูปเปลี่ยนไปยังใจให้เปลี่ยนแปลงเขาาเงินสีที่เปลี่ยนไปยังใจให้เปลี่ยนแปลงเจอเพื่อนเก่าแล้วทําเป็นทําเป็นไม่รู้จักเราเนี่ยนะใจเราปกติไหมใจเราก็ริปรลาดเ <laughs> สียงก็เหมือนกันนเะสียงมีสมุดฐานสองใช่ไหมเสียงมีอะไรเป็นสมุดฐาน